สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซตูตอนที่556เรื่องพระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่51พี่น้องครับเรามาถึงโค้งสุดท้ายของพระธรรมฮีบรูในวันนี้นะครับก็คือครั้งสุดท้ายที่เราจะพูดถึงพระเยซูในพระธรรมฮีบรูซึ่งมีทั้งสิ้น51ตอนด้วยกันในวันนี้เป็นตอนสุดท้ายก็คือตอนที่51ครับ ผมขออนุญาตทบทวนเมื่อวานนี้นะครับผู้เขียนได้เตือนพี่น้องคริสเตียนให้ยอมเชื่อฟังและอยู่ในโอวาสของคนที่ปกครองคนที่ปกครองนี้หมายถึงผู้นำขรินจักรในฐานะตำแหน่งศีลพิบาล น, นะครับเราจะต้องเชื่อฟังศีลพิบาลของเราเราจะต้องนบนอกต่อสิทธิอำนาจของท่าน ตรงนี้เองทาให้เราทั้งหลายจะต้องเข้าใจว่าแท้จริงแล้วศิยพิบาลนั้นเขามีความรับผิดชอบต้องถวายรายงานต่อพระเจ้าครับพี่น้องครับตรงนี้เองพระงัมภีรใช้คำว่าบุคคลเหล่านี้จะคอยระวังดูแลจิติญญาณของท่านเหมือนกับผู้ที่จะต้องถวายรายงานในประโยคนี้มีสองคำพูดสองคำที่ศิษิบานต้องทำ คำพูดแรกคำแรกก็คือระวังดูแลนะครับคำคำนี้ในภาษากรีกนั้นหมายถึงคนเลี้ยงแกะที่ตื่นตลอดคืนเพื่อเฝ้าดูฝูงแกะของเขานี่คือสิ่งที่ศีลพิบาลจะต้องทําเพราะฉะนั้นการเชื่อฟังศีบาลก็ตามการนอบนอบยอมรับสิทธิอำนาจก็ตามศียพิบาลคนนั้นจะต้องมีคุณสมบัติหรือหน้าที่นะครับ หรือ job description ที่ต้องคอยระวังดูแลจิตวิ ญ, ญญาณของลูกแก่ของเราเตือนอยู่ตลอดคืนครับอันนี้คือท่าทีของศรีบาลนะครับอีกประการหนึ่งก็คือว่าเขาจะต้องถวายรายงานที่นันบการถวายรายงานนี้ก็เป็นเรื่องของความสัตย์ซื่อเป็นเรื่องของจริยธรรมเป็นเรื่องของคุณธรรมครับเพราะฉะนั้นศรีบาลที่สัตย์ซื่อก็จะสามารถให้การ รายงานเกี่ยวกับหน้าที่ผู้อารักขาของตัวเองได้เพราะฉะนั้นศรีบาล น, นั้นที่สัต์ซื้อนั้นไม่ต้องห่วงครับพระเจ้าจะคอยดูแลเขาและสมาชิกก็จะให้ความเคารพเชื่อฟังในสิทธิอำนาจของศรีบานท่านนั้นพี่น้องครับเราต้องรับใช้พระเจ้าและทำให้ศรีบาลของเราชื่นใจนะครับไม่ใช่ เศร้าใจนี่คือสิ่งที่ได้กล่าวไว้ในข้อที่สิบเจ็ดข้อที่สิบแปดสิบเก้านะครับผู้เขียนขออธิษฐานจากพี่น้องที่เตียนนะครับท่านเขียนงี้ครับว่าจงอธิษฐานเพื่อเราเพราะเราแน่ใจว่าเรามีใจวินิจฉัยผิดและชอบอยู่แล้วและปรารถนาที่จะปฏิบัติอย่างสัตซื้อทุกอย่างพี่น้องครับใจวินิจฉัยผิดชอบนั้น ก็คือคุณนลักษณะหรือมาตรฐานการรับใช้พระเจ้านะครับบางคนอาจจะมีใจวินิจฉัยผิดชอบที่เป็นของส่วนตัวแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าหากคนคนนั้นมีพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเขาพระวิญ ญ, ญาณนั้นเปี่ยมด้วในชีวิตของเขาใจสานึกหรือจิตสำนึกใจวินิจฉัยผิดชอบของเขานั้นก็จะสูงเข้าสู่มาตรฐานของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับ เป็นเรื่องที่เปลี่ยนกันยากแก้กันยากนะครับมีอยู่ทางเดียวก็คือให้อธิษฐานเผื่อผู้นำของเราความแน่ใจของผู้เขียนก็คือว่าเรามีใจวินิจฉัยผิดชอบดีอยู่แล้วและปรารถนาที่จะปฏิบัติอย่างสัพ์ซื่อในทุกอย่างทีงนี้นครับผู้เขียนซึ่งอาจจะเป็นอาจจะเป็นอัครทูตเปาโลก็ได้ท่านครับท่านยืนยันว่าตนนั้นมีใจวินิจฉัยผิดชอบดีครับและ มีความปรารถนามุ่งมั่นปรารถนาที่จะปฏิบัติอย่างสัตซ์ซื่อเห็นงหมครับคนเหล่านี้ครับต้องการทําอธิษฐานครับถ้าคนที่ไม่สัตซ์ซื่อนะครับคนที่วินิจฉัยจิตวินิจฉัไม่ดีนะครั บ, นะรบเขาก็อยู่ไปวันวันนะครับศีราะผู้นั้นก็จะทําแบบเช้าชามเย็นชามนะครับทําแบบขอไปทีนะครับแต่อักรทูตเปาโลไม่ใช่อย่างนั้นหรือที่จริงแล้วผู้เขียนฮีบรูไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้น ท่านอยู่ด้วยความไม่สบายกายไม่สบายใจนักจึงต้องทาจึงต้องการคําอธิษฐานเผื่อของพี่น้องที่สเสียเทียนโดยพียงยิ่งครับเรารู้ว่าท่านอคาซูปเปาโลนั้นถูกจองจํานะครับในข้อสิบเก้าครับบอกว่าข้าพเจ้าวิงวอนท่านมากยิ่งขึ้นให้กระทาเช่นนั้นเพื่อข้าพเจ้าจะได้กลับคืนไปอยู่กับท่านโดยเร็วยองครับพระคัมภีร์ตอนนี้ทําให้เรารู้ว่าในช่วงที่จะถูกจองจํา หรือถูกเหนียวรั้งด้วยประการใดก็ดีจดหมายฝากขบับนี้นะครับก็ถูกเขียนขึ้นเราเช็นว่าความเป็นไปได้ที่เป็นอัครทูตเปาโลนั้นค่อนข้างสูงเพราะว่าเปาโลนั้นถูกกัก บ, บริเวณให้อยู่ใ น, ในบ้านในกรุงโรมเพื่อรอการคอยการแก้คดีของท่านต่อหน้าสีซ่านครับข้อที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับก็เป็นคําอธิษฐานว่าบัดนี้ขอพระเจ้าแห่งสันติสุขผู้ทรงบันดาลให้พระเยซู เป็นขึ้นิกความตายคือผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ยิ่งใหญ่โดยพระโลหิตแห่งพันธสัญญานิลัน์นี่คือคำอํำอวยพรสุดท้ายและเป็นคําอธิษฐานสุดท้ายด้วยที่จะให้เราทั้งหลายสมบูรณ์ในการดีทุกอย่างพี่น้องครับพระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ยิ่งใหญ่เราต้องอธิษฐานให้ศีบาลของเราเป็นผู้เลี้ยงแกะเรียนแบบพระเยซูครับแม้ว่าจะไม่ยิ่งใหญ่เท่าแต่เป็นศีพลบาลที่เป็นผู้นํา ฝ่ายวิญญาณซึ่งเขาเหล่านั้นต้องการทําอธิษฐานครับพระเยซูทรงกระทําให้เราทั้งหลายสมบูรณ์ในการดีทุกอย่างเพื่อจะได้ปฏิบัติตามน้ําันไทยของพระองค์และพระองค์ทรงทำพระกิจของพระองค์ในเราทั้งหลายให้เป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ท่านผู้เขียนได้กล่าวอวยพรเราและในขณะเดียวกันก็เป็นทาอธิษฐานที่ผู้เขียนนั้นได้ให้กับพวกเราทั้งหลายทุกๆุกคน พี่น้องครับคําว่าสมบูรณ์นะครับมีความหมายว่าทําให้คนคนหนึ่งพร้อมในการรับใช้ข้างพีตอนนี้นะครับบอกว่าพระเจ้าทรงกระทำให้เราหลายสมบูรณ์นะครับหมายความว่าพร้อมในการรับใช้มันสื่อถึงการถูกตะเตรียมอย่างสมบูรณ์ครับการติดอาวุธนะครับความพร้อมต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับเพื่อภารกิจที่พระเจ้าได้เรียกเราเช่นทหาร ได้รับการติดอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติตามคําสั่งตามหน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมายความคิดที่สุดยอดตรงนี้ครับก็คือว่าพระเจ้าจะทรงกระเตรียมเราให้พร้อมสําหรับการดีทุกอย่างครับที่พระเจ้าปรารถนาและทรงประสงค์ให้เรากระทําเพราะฉะนั้นการที่พระองค์ทรงกระทําในตัวของเราให้เป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์นะครับโดยพระเยซูครับเพราะฉะนั้นสงญาักษศีก็เป็นของพระเยซูสืบสืบไป เป็นนิดพี่น้องครับเรานะครับต้องมีความเพียรในการฟังคำเตือนสตินี้เพราะว่าหมดแล้วครับ13บทนะครับพี่น้องครับในข้อ23 24ก็เป็นการรายงานให้ทราบเกี่ยวกับว่าทิโมธีได้รับการปล่อยเป็นอิสระนะครับทิโมธีนั้นเป็นเาเรียกว่าลูกฝ่ายวิ ญ, ญญาณของท่านอัครทูตเปาโลในขณะเดียวกันครับ ท่านฝากความคิดถึงมายังคนเหล่านั้นที่ปกครองวิสุทธิชนทั้งหลายนี่คือการฝากความคิดถึงครับในสมัยก่อนสมัยนี้นะครับเราก็ใช้ลายแล้วก็ใช้อีเมลก็ค่อนข้างรวดเร็วขอบคุณพระเจ้าที่เรามีชีวิตอยู่ในยุคนี้ซึ่งเป็นยุคที่เราสามารถที่จะถ่ายทอดสื่อสารกันได้ดีแต่พี่น้องครับอย่าให้เราผิดข้องมองใจกันเพราะเหตุการสื่อสาร ในขณะเดียวกันครับขอพระเจ้าได้อวยพร พ, พี่น้องทุกท่านที่ฟังเสียงสีบานนี้นะครับติดตามมาจนทั้งถึงบัรนี้ผมอยากจะขอพร ะ, พระเจ้าอวยพรนะครับด้วยคำสุดท้ายของฮีบรูบทที่สิบสามก็ยี่สิบห้ามีข้อความดังนี้ว่าขอพระคุณจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดขอพระคุณจงดารงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดอาเมน